ตอนนี้ไปเรื่อพากันสั้งใจการปฏิบัติธรรมนด้เชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเหตุว่าตั้งแต่ก่อนมาไม่ได้บำเพ็ญธรร ม, มะให้เกิดขึ้นในใจ ใจนี้เมื่อขาดตกบกพร่องในธรรมะที่พระพุทธ เ, เจ้าทรงแสดงไว้แล้วย่อมวิริตย่อมเห็นผิดเป็นชอบไปคนที่เกิดวิริตต่างๆทางด้านจิตใจใจไม่ดีใจหลงใจเมา ไม่รู้จักทุก์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักข่อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเหล่านี้มันร้วนตั้งแต่จิตที่ไม่ใดสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจทั้งนั้นเลยคุณธรรมในที่หมยเอาธทรรมที่ชอบ อย่างในมรรคมีองค์แปดประการที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในสงสารได้เช่นนี้คนส่วนมากก็ปฏิบัติตามไม่ได้อย่างเช่นในข้อสีและสิกขา นี่กระทรงสอนให้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงไม่ชอบโกงคนอื่นเข้ามาเลี้ยงชีพแล้วก็เว้นจากกัการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเช่นเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัรพย์พืชผิดในกลามอย่างนี้นะ ถ้าภได้เว้นตามนี้ได้ก็ได้ก็ได้เชื่อว่าเป็นผู้ที่กระทำความดีความชอบด้วยกายวาจาใจในขั้นหนึ่งพร ก, การเลี้ยงชีวิตนี่เรามันสำคัญมาก เ็าเกิดมาในโลกนี้ทุกคนก็มีชีวิตเป็นอยู่กับปัจจัยสี่คืออาหารผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรค ไ, ไข้ข้เจ็บต่างๆ <c oughs> ในชีวิตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ มันเป็นอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยปัจจัยสีน่นี้บ้า น, นีบางคนก็แสวงหาปัจจัยสี่นี้ไปในทางทุจริตโชกโกงหลอกลวงกี้ปล้นอะไรอย่างนี้นะอนี้บางคนก็แสวงหาเรี่ยงขี้โดยทางสุจริตมาให้เป็นการเบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน นี่จึงเรียกว่าเป็นทางสายกลางเกี่ยวกับทำการทำงานทำหาเรื่องชีบและการพูดการจากอกพระองค์กสอนอย่าพูดเท็จอย่าพูดสอเสียดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพอ้เอเจ้อเลี้ยวไรพูดแต่คำจริงพูดแต่คำสมานไมตรีจิตอิตรภาพต่อกันและกัน พูดแต่คำออนโยนออนวานต่อกันและกันไม่พูดพร่มไปทั่วหาประโยชน์ไม่ได้ท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจอ้อพูดไปไม่มีเหตุไม่มีผลพูดไปตามอารมณ์ของกิเลสก็เมื่อเว้นวาจาทุจริตสี่ประการนี้ได้ ประพฤติวาจาสุจริตเข้าไปเช่นนี้มันก็สอดแสดงถึงจิตใจน้นแหละเพราะว่าวาจาจะพูดออกมาได้มันก็เพราะใจเป็นผู้วงการแม้่อกายจะทำการงานอะไรผิดหรือถูกมันก็อยู่ที่ใจเป็นผู้วงการ <c oughs> ดังนั้นถ้าใครเป็นผู้มีความประพฤติชอบทางกายทางวาจาตามหลักองค์มรรคนี่แล้วก็ ส, สอดแสดงถึงจิตใจนั่นว่าเป็นผู้ไม่ปัตินาที่จะสั่งสมบาปอากุศลต่างๆให้เกิดขึ้นในใจของตนมีความรู้สึกตนอยู่เสมอ ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดให้จิตมันฉลาดจู่พร้อมเลยเพราะว่ามันสํารวมในสินแล้วเมื่อสํารวมในสินได้แล้วอย่างนี้จนว่าเป็นพรมาถศินสินยิ่งอย่างนี้นะเมื่อเป็นสินยิ่งแล้ว มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเมื่อบุคคลเป็นผู้มีศินดีอย่างนี้ย่อมมีใจเบิกบานแต่วันนี้ก็ย่อมมองเห็นว่าไอล้ลำพังแค่ศินเท่านี้มันก็ยังกาจัดกิเลสส่วนกลางหรือส่วนละเอียดให้หมดไปไม่ได้มันจะกาจัดได้แต่กิเลสส่วนหยากเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความกระตือรือร้นอยากจเจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจสงบระ ง, งับแล้วจเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะความประสงค์กุมุ่งอยากแก้คำจัดกิเลสทุกประเภทให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้ถ้าภาคเพียนไป มันไม่หมดอายุหมดไปเสียกรอนอย่างนี้มันก็เหลือน้อยเต็มทีเมื่อกิเลสมันเหลือน้อยแล้วนั่นแหละในตาราท่านจึงกล่าวว่าเมื่อผู้ได้มาฟังธรรมะคำสอนของอุคธทเจ้าและพิจารณาตามไปโดยลำดับสิ่งใดที่พระองค์สอนให้ละเพื่นอนกนละไป สิ่งใดสงสอนในเจริญให้เกิดให้มีทั้งดเจริญไปในตัวในขณะฟังอยู่พอจบธรรมเทศนาลงก็ได้บรรลุมขผลธรรมวิเศษตามวัฒนามรมีของตนอ้ที่เป็นทั้งนั่นก็พอเหตุว่าแต่ชาติก่อนมาท่านก็พยายามบำเพ็ญองค์มรรคอันมีแปดประการ นี่แหละให้ดำเนินไปได้ถูกทางเป็นทางสายกลางมาจเจริญสมาธิภาวนามาแต่เมื่ออินทรียังอ่อนโยก็ยังไม่สามารถจะบรรลุรผลได้ก็เมื่อบมเพ็ญอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากแล้วพอมาชาตินี้ก็องแสดงธรรมก็จึงสามารถหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้ เพราะว่าบุญกุศลมันมากแล้วกิเลสมันน้อยลงเพราะว่าได้ภาคเพียนละมันมาแต่ก่อนนี่เมื่อบุญกุศลมันมากกว่ากิเลสบุญกุศลนี่มันก็คำจัดกิเลสให้หมดไปได้มันเป็นอย่างนั้นนี่ลำพังแต่ว่าการกระทำทางตายทางวาจาแล้วก็ทำทางใจ เส็นผ่าเพียนพยายามทำใจที่ไม่สงบให้สงบลงไปแล้วพยายามอบรมสติให้มันแก่กล้าอยู่ในตัวเสมอคือสติมันต้องมีสมปัจญัเป็นคู่ด้วยสติคือความะระลึกได้ะระลึกดูจิตะระลึกดูกายสมปัจญัความรู้ตัว รู้ว่าจิตนี้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีรู้ว่าจิตนี้พิจารณาร่างกายอยู่เห็นร่างกายตามเป็นจริงโยคือเคยพิจารณามาอย่างไรเคยรู้เคยเห็นความเป็นจริงของร่างกายอย่างไรก็กําหนดกําหนดรู้กําหนดเห็นอยู่ตามนั้นเ อ, อเรื่องธรรมะหรือว่ากรรมฐานไม่ใช่ เ่ ย, เยไม่ใช่ของใหม่เลยไปที่จริงก็ของเก่านั่นแหละแต่ของเก่านั้นจิตยังไม่รู้ยิ่งเต็มที่มันก็ยังปรงไม่ได้วางไม่ลงนี่อย่างนั้นดังนั้นน่ะก็จึงต้องภาคทเทียมเพ่งพินิตอยู่เรื่อยไปเห็นแล้วเห็นอีกเห็นความจริงของร่างกาย ของนามของรูปเมื่อเห็นเข้าไปมากเข้าไปมันก็จะเกิดลิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเพอบ่าความจริงแล้วมันไม่มีสิ่งใดที่น่าจะไปหวงเห็นในรูปในนามอันนี้นะ่ะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงทางนั้นล้วนแต่ต้องได้เยียวยารักษารนเปลือกันอยู่ทุกวันทุกคืนไปถึงค่อยเป็นอยู่ได้ ถ้าขาดการรักษาบำรุงด้วยปัจจัยสี่แล้วร่างกายนี้เป็นอยู่ไม่ได้เลยทุดโทมไปก็แตกดับเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะรักษาบำรุงมันเท่าไรเท่าไรมันก็เป็นอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองนะนั่นแหละแต่มันก็เป็นอยู่ได้เรา อาศัยปัจจัยสี่บำรุงร่างกายนี้ให้มีกำลังเรียวแรงเป็นปกติแล้วเราก็ทำความดีเข้าไว้ทำความเพียรเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไปในอย่างนี้มันก็นักว่าเป็นความเกิดที่มีประโยชน์ไม่เกิดเสียเปล่าไม่เปล่าจากประโยชน์อันเป็นอย่างนั้น เพราะนั้นการที่เราทําความภาคเพียรพยายามฝึกสติสัมปชัญญะให้แก่กล้าเป็นขั้นเป็นตอนไปทีแรกก็ฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวรู้ว่าเราทําอะไรพูดอะไรผิดหรือถูกถ้าหากว่ามีสติสัมปชัญญะนี้กํากับอยู่การทําการพูดมันก็ไม่ไม่ค่อยผิดพลาดหรอก หมายหมายความว่าไม่ผิดจากศีลไม่ผิดจากธรรมบางคนสํารวมแต่ในศีลแต่ธรรมไม่สํารวมก็ใช้ไม่ได้คำว่าพูดผิดธรรมนั่นก็หมายความว่าพูดที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอยากพูดอะไรก็พูดประลปรลาไปแต่ไม่ผิดศีลไม่เป็นมุสาวาท แต่เ้าก็พูดประลประาไปอย่างนี้นะมันก็ผิดธรรมเลยผิดธรรมก็ที่ว่าพูดเพอเจ้อนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าเราต้องมีสติสมัชญะรู้อาการกายวาจานี่เสมอเ ส, สมอไปว่าตนทำอะไรพูดอะไรไม่ผิดสินไม่ผิดธรรมพูดก็มีเหตุมีผลพูดพอประมาณ อย่างนี้เมื่อมีสติสมัจัญญารู้ตัวอยู่ยนี่ใจมันก็เอือบอิ่มเบิกบานอยู่เรื่อยไปเนี่ยในขั้นสิบ น, นี่นะมันก็ยังได้รับความเบิกบานอ่ะเมื่อบำเพ็ญขั้นสมาธิเข้าไปแหงขิดให้สงบแนบแน่นเข้าไปกวสิลนั่นอีกอย่างนี้มันก็ยิ่งได้ความสุขความสบายใจมากขึ้น ละเอียดปันนิจเข้าไปอย่างนี้แหละแต่เราจะเปอาศัยแต่ความสงบระงับอันเกิดจากสมาธิเท่านี้ก็ยังไม่พอเอด็ดทัน菩萨ตาจึงได้ทรงสอนให้อบรมความคิดความเห็นให้ชอบให้ถูกตามความเป็นจริงที่ทันเรียกว่าสาัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบ คือเห็นอริยสัจสี่บุคคลจะเห็นอริยสัจสี่ได้มันก็มีการอบรมจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยจนว่าใจเข้มแข็งหนักแน่น อ, อยู่ด้วยกุศลธรรมเป็นอย่างดีอย่างนี้เมื่อควบคุมจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลทมได้ดีอย่างว่านั้นแล้วก็หมายความว่าจิตใจเป็นสมาธิสมาธิในที่นี้ไม่ไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิอยู่เท่านั้นแม้ออกจากสมาธิมาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตที่ตั้งมัน่นอยู่แล้วนั้นให้มันตั้งไปสม่มเสมอไปอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ มีความประพฤติสม่ำเสมอแล้วสมาธิถึงจะไม่เสื่อมแต่ถ้าหากว่าไปทำใจสงบแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาอยู่เท่านั้นเมื่อออกจากสมาธิแล้วไม่ประคับประคองจิตนี้ให้ตั้งเป็นปกติอยู่เผลอสติไปยึดอารมณ์ภายนอกเขา้เอาอ้าวมันก็เกิดความวุ่นวายเดือร้อนขึ้นมา เช่นนี้จิตก็ถอนจากสมาธิไปดังนั้นนะการทำสมาธินี่จึงชื่อว่ามันมีสองเวลาเวลาเรานั่งสมาธิตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั่นเวลาหนึง่งอันนี้เวลานั้นเรียกว่าเราทำจิตให้ สงบได้อย่างละเอียดละออเพราะว่ากายก็นิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหวโดยประการใดๆ ด, ดังนั้นเมื่อเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่เช่นนี้นะเออจิตใจนี่มัน เมื่อสติเข้าไปควบคุมอยู่แล้วมันจะไม่คิดสงสายไปข้างนอกมันก็จะตั้งสงบอยู่ภายในจิตก็คือความรู้สึกนั่นเองเนี่ยไม่มีรูปร่างอะไรไม่มีสันานันนะอะไรเลยมีความรู้สึกเท่านนะั้นเป็นเครื่องหมายของจิต ด, ดังนั้นการที่เราภาวนาเราก็มุง่ง เทงลมหายใจเข้าออกน้อมสติเข้าไปหาความรู้สึกอ น, นั่นแหละความรู้สึกคือจิตนี่เมื่อสติยังเข้าไปถึงแล้วมันสงบทันทีมันไม่พุ่งสั้นไปที่อื่นแล้วไอ้จิตใจที่มันพุ่งสั้นไปห้ามไม่หยุดหมู่ดันมันล้วนตั้งแต่ไม่มีสติคุ้มครอง ปล่อยสติให้มันเลื่อนลอยไปทางอื่นมันเป็นอย่างนั้นทุกๆคนก็ไม่ควรจะสงสัยเมื่อหากว่าตอนน้อมจิตลงสู่ความสงบมันไม่ยอมสงบมันมีเรื่องคิดเรื่องหมายพุ่งไปตามอารมณ์นั้นๆอย่างนี้ก็ให้รู้เลยว่าสติมันอ่อน เมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างสติให้มันแก่กล้าเข้าไปโดยเพ่งกรงเข้าไปสู่ความรู้อันนั้นเลยเราจะรู้รเฉพาะแต่วความรู้อันนี้แหละอยู่เราจะประครับประครอง้ยวยความรู้อันนี้แหละเราจะไม่ไปประครับประครองสิ่งอื่นเลยนี่เราอธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้แล้วก็เพ่งเข้าไป เมื่อสติมันยังเข้าไปถึงความรู้อันนั้นแล้วความรู้อันนั้นมันก็หยุดคิดหยุดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานานี่นี่เรียกว่าการเจริญธรรมะคือพยายามทำใจให้สงบงเราไม่มุ่งหวังว่าจะต้องการรู้อะไรก่อนในขณะนั้นมุ่งต่ให้ใจมันหยุดนิ่ง ไม่ให้มันคิดปรุงแต่งไปในที่อื่นเท่านั้นเองอการทําจิตให้นิ่งให้สงบนี่นับสาคัญมากบางคนก็ว่าไม่สําคัญเท่าปัญญาปัญญาสําคัญกว่าของปัญญานี่มันสามารถสอดส่องรู้จริงเห็นแจ้งได้สมาธินั้นเพียงแต่เข้าไปสงบอยู่เฉย ไอ้ผู้มีความคิดเห็นเช่นนั้นมันเห็นไปไม่ไม่ไม่ไปตามขั้นตอนการบำเพ็ญทางจิตใจนี่มันต้องมีขั้นตอนน่ะการที่จิตจะเป็นสมาธิได้ก็เพราะมาจากศีลการทำศีลให้บริสุทธิ์ละบาปอกุศลต่างๆออกจา ก, ก จ, จิตใจออกจากกายวาจา ให้ได้เช่นนี้แล้วไฟบำเป็นสมาธิสมาธะมันก็จึงสงบลงได้จิตนั้นน่ะถ้าหากก็าไม่สำรวมในสินในบริสุทธิ์แล้วปล่อยให้จิตเกิดอกุศลจิตขึ้นมาอย่างนี้นะสะสมบาปธรรมไว้ในใจอย่างนี้ไม่มีทางที่มันจะภาวนาจะทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้ พ อ, อนอมสติเข้าไปหวังว่าจะประคองจิตให้สงบลงไอ้นี่บาปอากุศลมันก็มาแทรกแซงทันทีมาขัดขวางมันให้เกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างบางทีมันก็ให้เกิดความง่งเหงาเหานอนบางทีมันก็ให้เกิดความฟุ้งซ่านหรือสงสัยลังเลอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะนี่หละมัน บาปประรรมันมาสกัดกั้นจิตไว้ไม่ให้ร Ł วมลงได้ให้พึงเข้าใจดังนั้นเมื่อผู้ใดภาวนาเห็นว่าจิตใจเขาทนไม่ตั้งมั่นลงไปได้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยกะให้กลัวดูสิน เ, เมื่อเห็นสินบกพร่องด่างพร้อยอะไรไม่ถึงกับขาดก็ตามด่างพร้อย หรือว่าศีลขาดข้อใดข้อหนึ่งอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานใจสมทานศีล น, นั่นเสียการสมทานศีลศีล น, นี้สมทานโดยตนเองก็ได้ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้อนุสมทานโดยตนเองในเมื่อตนพิจารณาเห็น ความบกพร่องในสินที่ตนรักษามาอย่างนี้นะเพือ่อให้มันละบาปอากุศลได้ทันทีแล้วก็อธิษฐานใจสมทานมั่นลงไปต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ร่วงสินเหล่านั้นในแจากไม่ให้มันเศร้าหมองขุนมัวให้มันเป็นสินอันบริสุทธิ์ต่อไปอแล้วส่วนใดที่มัน ได้ล่วงเกินได้ประมาทมาแล้วก็ขอสำรวมระวังขอละอะขอให้บาปกรรมอันนั้นจงหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้าต่อไปก็ เ, เมื่อเราอธิษฐานสมทานศีลด้วยใจอย่างว่านี้แล้ววันนี้ก็เข้าใจว่าใจมันคงจัดเบิกบานขึ้นมาเลยเพราะมันรู้ว่าตนมีศีลแล้ววันนี้นะนั่นแหละ ใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาทีนี้ บ, บาปอกุศลที่ตนรุ่มหลงท ร, ร ม, มนั้นมันก็ค่อยเบาวางลงไปค่อยสงบลงไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมก็พึ่งพากันกรวจการดูสินนี่ให้มากมากทีเดียว ถ้าหากว่าไม่ใส่ใจเรื่องศีลแล้วการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นน่ะผู้เทศ น, น์แนะนาสั่งสอนผู้อื่นควรจะแนะนาไปโดยลาดับอย่างนี้ไม่ควรที่จะกระโดดไปเอาปัญญาทีเดียวเลยมันไม่ได้หรอกถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ทาสมาธิก็สงบลงไม่ได้ เมื่อจิตสงบไม่ได้ปัญญามันก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าจะอุปมาแล้วก็สมาธิใน เ, เหมือนกับสวิทช์ไฟฟ้านั่นเองเมื่อช่างไฟฟ้าเขาประกอบไฟสายถึงสายแล้วติดหลอดติดสวิทช์เข้าไป ติดอุปกรณ์ต่างๆให้ครบครันนั่นเปรียบได้กับศีลอวันนี้การที่บุคคลการที่นาช่างเขามาติดสวิตไว้สวิต ป, ปิดเปิดได้ปิดได้เปิดได้อันนั้นเปรียบได้กับสมาธิการปิดไว้นั่นเรียกว่าการทําใจให้สงบเป็นปกติอยู่ ไม่ต้องการคิดนึกอะไรในขณะนั้นเมื่อเกิดถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาต้องการจะรู้ความจริงของชีวิตอย่างไรขึ้นมาแล้วกอ น, นึกคิดถึงเรื่องนั้นๆพอนึกคิดเรื่องนั้นขึ้นมาได้ปัญญาญก็โผล่ขึ้นมาวินิจัยเรื่องที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นให้รู้ให้เห็นโดยเฉมแจ้งออกไป นะเปรียบเหมือนเราบุคคลต้องการแสงสว่างจากไฟฟ้าก็าไปกดสวิตช์มันอย่างนี้นะไฟก็วิ่งเข้าไปในหลดก็ส่องแสงสว่างออกมาในบริเวณนั้นสามารถมองเห็นวัตถุอะไรต่ออะไรได้ตามเป็นจริงอันนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละเมื่อบุคคลทําใจสงบเป็นสมาธิแล้วอย่างนี้นะ เดี๋ยวสมาธิมั่นคงรู้ว่าใจของตนตั้งมั่นด้วยดีไม่งอนแงน่ไม่คลอนแคลนอย่างนี้นะแล้ววับบนนี้ตนต้องการจะพิจารณาเรื่องอะไรจะรู้แจ้งในเรื่องอะไรอย่างนี้พอกําหนดเรื่องนั้นขึ้นมามันก็ปัญญามันก็ฉายแสงออกมาทันทีนี่ก็ขอให้เข้าใจตามนี้การบําเพ็ญทางคิตใจการเจริญสรรมถาวิวิพัฒนา หรือว่าการเจริญสินสมาธิปัญญาก็ดีหรือการเจริญมักมีองค์แปดประการก็ดีมันก็สงเคราะห์เข้าในกายในวาจาในใจในทั้งนั้นแหละสมาธิการทำใจตั้งมัน่นเนี่ก็มันก็หมายความว่าเพ่งใจในโดยตรงเลยอย่างนี้ไม่ต้องรู้อะไรอื่นนอกนั้น บริปัญญาเนี่ยมันต้องการรู้บริเนี่ยนะสิ่งใดมันลี้ลับอยู่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนอย่างเช่นทุกข์อย่างนี้นะก็ไม่เคยรู้ไม่เคยพิจารณามาแต่ก่อนทุกข์นั่นไหมเอาอะไรทุกข์นั้นมีกี่อย่างถ้าว่าโดยลวกนัดแล้วทุกข์นั้นก็มีอยู่สองอย่างคือทุกข์กายหนึ่งทุกข์ใจหนึ่งอย่างนี้ อาทุกายนั้นอย่างไรอ่ะทุกายนั้นเพราะร่างกายนี้เกิดมาแล้วมันไม่เที่ยงต้องเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสีด่ดังกล่าวมาแล้วนั้นแต่ถึงบำรุงด้วยปัจจัยสี่อยู่อย่างนั้นมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่ถึงข้าวเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บป่วยอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ถึงข่าวที่มันจะชะลาทุดโทมลงไปมันก็สุดโทมลงไปแล้วจะบำรุงด้วยปัจจัยสี่อัน ปนญีตบันจงสักเท่าไรมันก็ไม่ฟังมันก็ไม่เพนไปตามใจหวังนี่แหละเมื่อมันสุดโทมไปอย่างนี้แล้วร่างกายนี่ย่อมกระวนกะวายและอ่อนเพลียไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วทุรนทุรายอันอาการที่ร่างกายมันสงบระ ง, งับอยู่ไม่ได้มันแปรสภาพไปอย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าทุกข์กาย ไอ้ทุกข์ใจเพราะใจไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าขันทั้งห้าอันนี้แล้วไปหลงยึดถือสําคัญว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้แนละ้วเมื่อขันห้านี่มันวิบัติลงมันก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าขันห่านี่มันไม่มีบัตดแรปรป่วนแต่มันมีเรื่องภายนอกมันกระทบกระทั่งมา เมื่อไม่รู้เท่าเรื่องภายนอกแล้วมันก็เสียใจโกรธเกลียดอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าทุกข์ใจเพราะใจไม่ตั้งมั่นอยู่เป็นปกติอยู่ได้เมื่อได้กระทบอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วมันก็หวั่นไหวไปมาอย่างนะี้นะนั่นแหละลักษณะของความทุกข์ของจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้บุคคลมารู้จักว่า ความทุกข์ใจอย่างนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากตัณหาพระพุทโทรงตรัสไว้ว่ามาจากตัณหาตัณหาอยากให้ร่างกายนี่มันอยู่ยั่งยืนนานไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยตัณหาอยากให้รูปกายนี่สวยสดงดงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งอะไรต่ออะไรตามสมัยนิยมนั่นแหละ เงินทองมีเท่าไรก็จ่ายไปค่าเครื่องแต่งตัวแล้วไม่ใช่น้อยแต่ละเดือนละเดือนอย่างงี้มันก็เป็นทุกข์สิบ่ะนี้นะทุกข์ก็หาเงินและหาเงินมาซื้อเครื่องสำอางต่างๆเครื่องประดับประด า, าต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละเรียกว่าตัณหาความอยากมันมีอวิชชาก็มไม่รู้นั่นเป็นเพื่อนแบบนี้นะ มันไม่สามารถจะวินิจฉัยตัณหาความอยากอันนั้นเพราะมันเป็นี่ยได้เกิดทุกข์อย่างไรอย่างไรนี่มันไม่สามารถจะวินิจฉัยได้เพราะอาวิชามันครอบงําอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นแล้วตัณหาอยากไม่อยากให้ตนแก่เจ็บตายง่ายเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้ววันนี้ความอยากมันไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาก็เป็นทุกข์ เดือดร้อนอย่างนี้นะเนี่ยที่พระศาสดาทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์บันีิตัณหาอีกประเภทหนึ่งนั่นตัณหาอยากอยากไปในทางบาปอคุศลอยากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก่าวมุสาวาตดื่มสุราเมรัยกันชายาผินเฮโรอีนอะไรต่างๆพวกนี้อยาก เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นรวมทั้งเบียดเบียนตนด้วยการดื่มเหล้ามอสุรามันก็เบียดเบียนตนโดยตรงนั่นแหละแต่เบียดเบียนผู้อื่นโดยทางอ้อมมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยบาปอากุศลถ้าผู้ใดไม่ละความอยากอันนี้ออกจากจิตใจแล้วความอยากอันนี้แหละจะพา จิตวิญญาณของพวกนั้นไปสู่นรกอบายภูมิเมื่อจิตละจากร่างอันนี้ออกไปแล้วอเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทควรจะรู้ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างไรเมื่อบุคคลเบื่อทุกข์เชื่อพระปัญญาศัสรูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่านารกนั้นมีจริงมีเพราะเหตุอะไรเพราะบุคคลทํากรรมชั่ว กรรมชั่วของบุคคลนั่นแหละไปสร้างนรกให้บุคคลพู้นั้นได้อยู่อาศัยได้ทนทุกข์ทรมาน อ, อย่างนี้นะมันก็เหมือนอย่างที่ผู้ใจดำอมหิตไปทุบไปตีผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดทนทุกข์ทรมานกลัวจะตายอย่างนี้น ะ, ะแล้วไปลักเอาสิ่งของคนคนอื่นเขา จนว่าเขาหมดไม่หมดมือลงไปเขาก็เป็นทุกข์ไม่มีเงินทองจะใช้จ่ายแล้วไปสมถูกกับสามีหรือภรรยาคนอื่นเข้าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้เข้าเนี่ก็ทุกข์ใจฮับแคนใจบางทีก็เลยแตกแยกกันไปเลยอย่างนี้นะได้ตกทุกข์ละกรำลำบากเพราะความเป็นผู้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมนั่นเองนะ อย่างนี้แหละเนื่องการที่บุคคลไปพูดหลอกลวงซอเสียดยุโยงเอาสมบัติของผู้อื่นของทรง ก, ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อเขาเจ้าของรู้เขา้าเขาก็เสียใจเขาก็ทุกข์ใจลำบากใจอย่างนี้ดื่มเหล้าเมาสุราอันนี้ทำตนเองให้เป็นทุกข์โดยตรงเลยและไปก่ขอการทะเลาะกับผู้อื่น ให้เป็นทุกข์เกิดร้อนทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ไปด้วยมื่ร่นะเมื่อไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเช่นนี้ทุกข์นั้นมันแย่อนมาถึงตอนไอทำทุกข์ให้ผู้อื่นนี่ยังพอทำเนาเพราะมันไม่ได้ทุกข์อยู่นานบางทีก็ตายไปไวๆไวบางทีก็ทรมานอยู่นานหน่อยแต่เมื่อเวลากรรมชั่วมันนำไปสู่นรกหรับ ไปตกนรกอายุสัตว์นกยืนกว่าอายุเทวดาบนสวรรค์ท่านกล่าวไว้ได้รับทุกทนทรมานน้ำร้อนลั่วไฟเผาอยู่งั้นไออันนี้เนยมันก็เกิดจากกันหาความทยานอยากซึ่งมีอวิชชาเป็นเพื่อนในทางนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อบุคคลมา พิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าตันหาเหล่านี้มันจะพาไปสู่นรกอบายภูมิก่อนละมันเสียอธิษฐานใจละเว้นเลยเอเมื่อตันหาความอยากประเภทนี้ดับไปจิตที่เป็นอกุศลก็ไม่มีนะอะอกุศลก็ดับไปจากจิตเมื่ออกุศลดับไปกุศลมันก็ย่อมเกิดขึ้นมาแทน เพราะว่าคนเรานี่มันทําบุญกุศลไว้ก็ทําบาปก็ทําอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเมื่อเห็นโทษของบาปแล้วละบาปให้ระงับลงไปแล้ววะนี่บุญกุศลมันก็โผล่ขึ้นมาในใจิตใจถ้าเป็นคนใจเยือกเย็นใจสบายไอ้อย่างนี้แหละเอา้าเมื่อตัณหาประเภทนี้ระงับไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ยังตัณหาประเภทกลาง ตัณหาความสำคัญว่าไอ้โลกนี้โลกน่าเป็นสุขสบายแล้วทำบุญกุศลอันใดก็ขอให้ปาธนาก็ปาธนาขอให้ได้เป็นเท้าพยามหากษัตริย์ในประเทศราตบอกหรือปาธนาขอให้ได้ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวดาอะไรอย่างนี้นะ นี่เดีว่าเป็นตัณหาประเภทกลางมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรไม่เป็นบาปหรอกแต่เป็นกรรมคือว่าบุญกุศลอันนั้นมันก็นําจิตให้ไปเกิดถ้าไปเกิดเป็นพระราชามกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากมายเข้าไปแล้วก็หวงก็ห่วงแบบนี้แต่นี่เหนียวแน่นจะให้ทําบุญให้ทานก็ไม่ได้เพราะว่าตัณหานี่สิมันอยากอยากมีอยากเป็นนะ เมื่อมันมีมนันก็หวงแล้ววันนี้นะอะมันเป็นอย่างนั้นเบืองมานะถ้าไปเป็นเทวดาไปเห็นสมบัติอันเป็นทิพย์สวยสดงดงามหรูหราขวบสมบัติอันเป็นของมนุษย์เอาก็ไปติดหวงแหนอะไรอยู่ในสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นนี <c oughs> 응่เทวดาประเภทนี้ก็มีในสวรรค์อย่างนี้แหละ เทวดาะเภทหนึ่งนั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมได้ละเว้นกรรมอันชั่วทำบุญทำทานกราบไหว้คุณพระธนากลบำเพ็ญทางขีดใจแต่อินทร์ไม่แก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติปั จ, จุบันบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านั้นเมื่อ ละโลกนี้ไปแล้วมันก็นำไปเกิดสวรรค์วะนี้เมื่อไปเห็นสมบัติอบเบนทิปอย่างนั้นแล้วองค์ก็พิจารณาได้รู้ได้แม้สมบัติเหล่านี้จะเป็นของละเอียดปานี้บรรจงอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงมันย่อมมีวันที่จะดับสูญสลายไปได้ยุไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปหามิได้ มันก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่เพิดเพลินไม่หลงไม่เมาในสมบัติอวิธิ์นั้นก็ตั้งใจภาวนาต่อในผู้ที่เคยภาวนาอยู่จะเป็นมนุษย์แล้วในอย่างนี้แหละเพราะว่าเมื่อผู้ภาวนาอยู่เป็นมนุษย์นี่แล้วมันมองเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่ทั้งส่วนหยาบละส่วนกลางในส่วนละเอียด ได้ได้อันรูปน้ำนี่นะหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่มันมันก็มองเห็นอยู่จนชินใจแล้วอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นความรู้ความเห็นอันนี้มันก็เลยติดตามไปเมื่อไปเกิดสุคติโลกสวรรค์อย่านี้มันก็ต้องไปบำเพ็ญต่อเหมือนอย่างพระอนาคามีท่านผู้ได้บรรลุอนาคามีตั้งแต่เป็นมนุษย์ เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดในสุทวะโพรโมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อท่านไปเกิดแล้วท่านก็บำเพ็ญเจริญภาวนานบำเพ็ญวิปัสสนาญาณอยู่อย่างนั้นเรื่องสมาธินั้นท่านมีอยู่แล้วพระอนาคามีก็เจริญวิปัสสนาเพ่งพิจรารณาต่อไปบางองค์ก็ถึงเกึ่งกลางอายุก็สำเร็จ พรนิพพานเลยก็ดับขันเข้าสู่นิพพานบางองค์ก็ไม่ทันถึงกึ่งกลางอายุก็ได้สำเร็จพระนิพพานไปบางองค์ก็เวลาจจเจริญภาวนาไปจนจะหมดอายุสังขานจึงได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอ่าอย่างนี้ เพราะเหตุใดว่าจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าพระอนาคามีท่านละกามสังโยชน์ต่างๆได้หมดแล้วไอ้กามวิตกอะไรไม่มีอย่างนั้นจิตของท่านจึงส ง, งบแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนั้นเมื่อส ง, งบแน่วแน่อยู่ในท่านก็มีปัญญาอันสุ ข, ขุมละเอียดพิจารณานามรูปที่ท่านอาศัยอยู่นั่นได้บ่นี่มันเป็นปงนั้น แต่ส่วนที่ผู้ที่ไปเกิดสวรรค์เป็นเทบุตรเทวดานี่ก็ยังไม่พ้นจากกรรมมาคุณยังไม่พ้นจากกรร ม, มวิตกยังยินดีพอใจอยู่ในกรรมมคุณอย่างนี้นะแต่ว่าท่านผู้มีการอบรมบ่มอินทรีย์ไปแต่เป็นมนุษย์แล้วถึงจะมีก็มีน้อยเต็มทีกา ม, มวิตกนั้นนะ่ะมันเป็นอย่างนั้น แต่ผู้ที่มีแต่ทาบุญในทานรักษาสินเฉยๆไม่ภาวนาไม่พิจรารณาเห็นไตรลักษณ์เช่นนี้แล้วไปเกิดเป็นเทวรามันก็มีความกำหนดกินดีในกามคุณเต็มที่เลยเ น, นี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น ผ, ผู้ที่เป็นอุบาสกวาสิกาเป็นรุทธบริษัทของพระเจ้า เมื่อรู้อย่างนี้แล้วไม่ควรประมาทควรจะบำเพ็ญจิตตภาวนาให้เข้มงวดเข้าไปจนว่าทาให้กามวิตกขลายมัน ง, ง, งับลงเช่นนี้แล้วก็รักษาความสงบระงับอันนี้ไว้อย่าให้มันกําเลิบขึ้นมาเมื่อเราพยายามรักษาความรู้ความเห็นว่า ใจิตใจไม่วิตกไปในกามคุณแล้วอย่างนี้นะก็รักษาความรู้อันนี้ไว้รู้ว่าใจของตนไม่เกี่ยวข้องในกามคุณอย่างนี้ก็รักษาไว้เพราะว่าในขั้นนี้มันก็ยังเสื่อมได้อยู่เหมือนกันเนะ่ะเว้นเสียแต่ได้บรรลุถึงขั้นอนาัคามีนู่น่านั่นแหละไอ้กามวิตกนะ่ะมันจึงละขาดได้ แต่ถ้ายังไม่ทันถึงขั้นนั่นแล้วก็มันสงบอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิกา ร, รมาวิตกทั้งหลายนะ่ะขั้นพอเผลอเผ อ, อสติสมาธิมันเสื่อมมันถอนเดี๋ยวมันก็เกิดกา ร, รมาวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะไม่มากก็ น, น้อยถ้าผู้มีสติสมัติญาณกำกับอยู่เสมอมันก็รู้ตัวได้นะ เมื่อรู้เมื่อรู้เมื่อรู้ทันทีรู้ว่าตนวิตกไปในทางไม่ถูกแล้วก็รีบสะกดจิตทันทีกำหนดละอารมณ์ความคิดความนึกนั้นทันทีเมื่ออารมณ์นั้นดับลงไปก็เจริญปัญญาสอนจิตเข้าไปให้มันเห็นโทษแห่งกา ร, รมวิตกพยาบาทปีตกวียงสาวิตกต่างๆหมนี่เข้าไป เมื่อปัญญาพออจิตก็ไปจิตเห็นตามปัญญาแล้วมันก็จะคลายความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายนั้นไปเรื่อยๆความกำหนัดยินดีก็ในกามทั้งหลายก็เบาลงไปเรื่ยอยการพภาคพีบพยายามละ ก, กิเลสมันต้องพมีสติสัพเพเนียคอยระวังอยู่เนี่ยเสมอนะอในเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นเวลาใดเราก็ สอนใจให้มันรู้แจ้งเห็นโทษของกิเลสอันนั้นให้มันเบื่อหน่ายในกิเลสอันนั้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาเช่นนี้มันก็ทำกิเลสนั้นให้เบาไปเรื่อยๆแต่ถ้าบุคคลประมาทเผ้อสติสำมัญญาแล้วอย่างนี้ปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วอย่างนี้จึงไปพยายามละมันเนี่ยมันยากแล้ ว, วนี้นะมันยากแล้ว ม, มันละไม่ได้ไง่ายๆแล้วต้องอาศัยเวลานานบางทีมันก็เลยไม่ละไม่ได้เหนื่อยแล้วก็หยุดกันไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีนี่แหละแต่ถึงอะไรผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้ามีปัญญาแล้วอย่างนี้เนะี่ยก็สอนจิตแจของตนไม่ให้ท้อถอยเพราะเราเดินทางมานี่มันถึงครึ่งทางแล้วนะ เราจะไปถอยหลังกลับไปสู่ต้นทางอีกมันก็เหนื่อยแย่สิหวังงั้นอเมื่อเราเดินมาได้ถึงครึ่งทางแล้วเราจะไม่เราจะต้องพยายามเดินต่อไปให้ได้เราจะไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นี้อย่างนี้นะเราต้องภากเพีร์นยายามไปอยู่อย่างนี้เมื่อมันเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารเข้าไปแล้วมันก็เบื่อหน่าย เข้าไปแหละคนเรานะ่ะมันนอกจากมองเห็นร่างกายสังขาร น, นามรูปอันนี้แล้วแล้วก็มองดูสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัวนี่มันก็รู้นแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นเรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทางใจอยู่มากมายเอาเงินทองเนี่ยเมื่อเวลามีอยู่ มันก็มีใช้มีใจก็สบายจริงอยู่เลยแหละไปไปที่นี่เงินนั่นหมดลงลองดูซิแบบนี้นั่นแหละเดือดร้อนแล้วต้องดิบลุนแสวงหาโดยความแสนยากแสนลําบากลาบยศสรรเสริญอะไรก็ดีเมื่อได้ลาบได้เมื่อได้ยศได้สรรเสริญเยือนยอขึ้นมาแล้วก็ดีอกดีใจอย่างนี้แหละคันว่าเวลา ยศเหลื่องคำสนับสริญอินทานั้นมันเสื่อมลงไปเอาก็เสียใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอีกแล้วนี่แหละไอ้ปัญญามันต้องเพ่งพิจารณาเห็นเหตุเห็นผลของนามของรูปของสิ่งแวดล้อมนี่อยู่นี่ให้ให้ได้แจมแจ้งเลยให้แจมแจ้งขึ้นมาอย่างนี้เมื่อมันเห็นอยู่นี่ล่ะมันก็ไม่ไปผูกพันเลยฮะนี่ มันก็คลายความยินดีพอใจลงนี่นะเนี่ยที่ในสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนั่นเออคือว่าสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่มันนี้นะก็ดำริอย่างดังกล่าวมานี่แหละท้านเรียกว่าดำริชอบ เ, ออเมื่อดำริชอบไปถูกทางไปอย่างนี้แล้วมันก็ ปัญญามความรู้มันก็สูงขึ้นไปก็อย่างว่าถึงกับได้เห็นเหตุแห่งความทุกข์ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละกระตันหาตัวเดียวนี่แหละกับอวิชชานี่แหละมันเป็นตัวก่อเหตุแห่งทุกข์ให้ชีวิตอันนี้ท่องเที่ยวไปในสงสารคณ น, นานับชาตินับภกไม่ทวนเนื่องนั่นแล้วเมื่อมาละตันหาความดะยานอยากพระอวิชชาความไม่รู้นี่ออกไปจากกิจนี้ซะแล้ว มันก็เห็นโทษในกามมัตตัณหาภาะวะตัณหาวิภาะวะตัณหาเห็นโทษในความเกิดแก่เจ็บตายไปเห็นโทษในการคลองเรือนว่ามันเป็นทุกข์เดือดอร้อนอย่างไรเห็นไปหมดแหละนั่นตลอดเห็นทุกข์ภัยในนรกอบายภูมิเห็นไปหมดเมื่อกามมกิเลสตัณหามันสงบระ ง, งับลงแล้วนะ อวิิชาความไม่รู้มันส ง, งบระ ง, งับลงความรู้มันเกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้นะมันก็มองเห็นผลแห่งกรรมชั่วกรรมดีที่คนเราทำเอาผลแห่งกรรมชั่วนำให้ไปทนทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิผลแห่งกรรมดีที่ทำมันก็พาให้เวียนเกิดแก่เกิดตายอยู่ในโลกนี้แต่มันก็จำเป็นต้องเวียนว่าย ในเมื่อบำเพ็ญกุศลยังไม่เต็มอันบุคคลผู้ประมาทน้นนานนันเต็มเลยก็ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายบางชาติกบประมาทไม่ได้ทำบุญกุศลเอา้าตายแล้วก็ไปทนทุกข์ในนรกอบา ย, ยภูมิทำเวลาให้เนิ่นช้าไปา น, นานๆทนทุกข์แล้วกลัวจะมามีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญในกุศล จะมาเริ่มทำบุญกุศลไม่ทราบว่านานเท่าไรเลยอืมติมไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่เสวยผลแห่งบาป ก, กรรมมันนั้นอยู่นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าตัณหามานะทิฐิเนี่ยสามอย่างนี้ทำสัตว์ให้เนิ่นช้าอืเป็นอย่างนั้นเราต้องพิจารณาตามนี้ เมื่อผูใ้ใดใช้ปัญญาพิจนารณาเห็นอย่างว่านี่นะมันก็ไม่สะสมตัณหาแล้วก็พยายามสตัดทอนความอยากให้น้อยเบาบางลงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยไม่เราทําบุญกุศลไม่ภารถนาจะให้เป็นพระราชามากระสับเป็นเศรษฐีอะไรไม่ภาถนาให้เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรมอะไรเลยเนี่ยการละตัณหาส่วนกลางหรือส่วนละเอียดเข้าไปอา้าว ไม่ปรารถนาอะไรเลอปรารถนาอยู่คือปรารถนาขอให้พ้นทุกพ้นภัยในสงสารซึ่งมีพระนิพพานเป็นที่สุดจุดหมายปลายทางเอด้วยอํานาจบุญกุศลที่บําเพ็ญนี่นะนี่โกดอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้นะแล้วแล้วหมดเลยไม่ต้องไปอปรารถนาอะไรต่ออะไรให้วุ่นวายให้มันเป็นเครื่องค้องอยู่ในสงสาร พะเมื่อบุคคลทำบุญกุศลแล้วตั้งจิตไว้ชอบตั้งความปรารถนาไว้ชอบไปถูกอย่างว่านี่นะหากว่าบุญบา ร, รมียังไม่เต็มบรรลุพรนิพพานไม่ได้ในชาติปัจจุบันบุญกุศลอันนั้นก็จะไปตกแต่งความสุขให้เองนะตนทำบุญมากน้อยเพียงใดบุญนั้นมันก็จะไปตกแต่งให้เองไม่ต้องปรารถนาถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงเลย เมื่อไปเกิดมีสมบัติอันมากมายกายคลองหรืออันละเอียดปานนี ด, ดังกล่าวมาเลียนั้นมันก็ไม่หลงก็รู้แจ้งว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนอยู่นั่นเนี่ยนี่นิรการเพียรพยายามละตันหานี่สาคัญมากทีเดียวนะให้พากันพี่นาให้ดีไอ้ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่ อยู่ไม่ได้ถึกออกไปก็เพราะอาศัยลุกกําหนาจแก่ตันหาเพราะไม่ภาคเพียรพยายามละอวิชชาตันหานี่แหละให้พบาบางอกปจากษจิตใจปล่อยให้ตันหาความอยากครอบงําจิตใจตาเห็นรูป ก, ก็อยากในได้รูปนั่นหูได้ยินเสียงก็เพิดเพลินไปในเสียงนั่นอย่างนี้นะแจมูกได้สูด ก, ล, กลิ่นก็รื่นเริงบันเทิงไว้ก็กลิ่นหอมหวนต่างๆ ลินได้รับรสอร่อยดีก็เพลิดเพลินมูมอไปในรสนั้นกายได้สัมผัสเย็นได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่มก็ติดใจพอใจอยู่ในกายสัมผัสอันนั้นใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ติดใจพอใจไว้อีอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้ ผู้บวชเข้ามาในพุทศาสนานี่มันอยู่ไม่ได้ขอให้เข้าใจผู้ใดถ้ามองเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารดังพรรณนาให้ฟังมานี้แล้วว่ามันเกิดจากตัณหาอย่างนี้แล้วนะ่ะเราก็พยายามสิถามความเพียรสัมรวมในศีลในบริสุทธิ์เข้าไปแล้วเจริญภาวนาสมาถิกรรมาฐานเพ่งใจให้สงบระงับเข้าไปดังที่ แสดงมาแล้วนั้นน่ะอืเมื่อใจสงบได้ที่แล้วอย่างนี้ก็อย่าไปเสวยแต่ความสุขอยู่ในความสงบนั้นอย่างเดียวก็ต้องฝึกเจริญปัญญาค้นคว้าเหตุผลของชีวิตให้รู้ให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพ่งพิณาเห็นโทษแห่งตันหาอดังกล่าวมาแล้วเหมือนกันแหละตันหาอยากล่ํารวยเงินทองเข้าคลองตันหาอยาก ให้มีอายุยังง่งยืนนานไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายง่ายๆอะไรโมนี้นะแล้วความอยากเหล่านี้นะมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังของผู้อยากต้องให้เข้าใจมันอยากผิดจากกฎธรรมดาไปเพราะกฎธรรมดาคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอาศัยบุญเก่าที่รรทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งร่างกายให้ พอบุญเก่านะั้นมันร่อยหลอลงไปแต่ร่างกายนี้มันก็สุดชมไปสุดชมไปพอบุญเก่านะั้นหมดลงร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกทำลายลงเราต้องค้นหาต้นเหตุของความเกิดอย่างนี้เหตุที่มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนก็เพราะว่าเหตุปัจจัยที่มาตกแต่งร่างกายให้นี่มันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันอย่างงี้นะเมื่อเราค้นหาเหตุปัจจัยได้อย่างนี้มันก็บื้อได้ที่อันนี้นะ เบื่อนายอันความอยากนี่นะเบื่อนายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเก่นสารนี่มันก็หายอยากแล้วไม่อยากเป็นเศรษฐีไม่อยากเป็นพระราชามหากษัตริย์ <c oughs> ไม่อยากเป็นเทวดาอินพรอมอะไรเลยนี่แต่ว่าถ้าบุญวาสนายังไม่เต็มบริบูรณ์มันเป็นเองมันก็แล้วแต่ แต่ว่าในใจของผู้ปฏิบัติธรรมหากไม่ไม่อยากอเป็นอะไรก็ไม่อยากอย่างงี้นะเพราะนชื่อว่าความอยากแล้วนั่นอันซึ่งจะมันมันไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเลยอยากน้อยก็เป็นทุกข์ตามน้อยอยากมากก็เป็นทุกข์ตามมากไออยากตามธรรมชาตินี่ถ้าผู้มีปัญญารู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เช่น อ, อยากข้าวกระหายน้ําอยากนอน ไอ้โมนี่มอันนี้เรียกว่ามันเป็นเป็นความอยากโดยธรรมชาติทีนี้เมื่อผู้มีปัญญาได้รู้เท่าความอยากเหล่านี้แล้วนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะความอยากเหล่านั้นรู้เท่ามันนี่นะเพราะมันจำเป็นนี่งร่างกายนี่มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละ แต่การที่เราได้ปัจจัยสีส่มาแล้วเราก็บริโภคโดยโดยอาศัยการพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้เท่าทันในปัจจัยสี่นั้นไม่บริโภคด้วยตัณหาไม่ไม่บริโภคด้วยตัณ ห, หานี่คือไม่ไม่ใช่จ่ายกุ้มเฟยให้พอเหมาะพอดีกับความเป็นอยู่อย่างนี้นะเมื่อรู้จักประมาณอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ปลาย ผู้มีเงินน้อยก็ไม่ทุกข์มากเมื่อเมื่อมีเงินน้อยเราก็ใช้ใจ่ายตามน้อยบริโภคปัจจัยเครื่องอาศัยกับบริโภคอ่ะแต่พอรายจ่ายมันมีอย่าให้อย่าให้ใช้จ่ายไปเกินขวัวรายรับที่ได้มานี่มันก็พอบรรเทาความทุกข์ได้คนเรานะ่ะนี่แหละตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าพนาวนาไปแล้วนั้น ม, มากมายกายคล้องจริงๆนะเรื่องของตันหาเพราะฉะนั้นเนะี่ยผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พอให้พึ่งพากันพิจารณาโทษของตันหานี่ให้มากมากทีเดียวตันหานี่ในตำราพระพุทธเจ้าทรงเปรียกว่าเหมือนกับเถาย่าปร้องแต่เถาย่าปล้องสมัยทุกวันนี้มันจะหมดชื่อ พันไปแล้วก็ไม่รู้แนละ้วแต่ก่อนนะั้นมีมากเนละอยู่ตามหนองนำนะ้ำมันแผ่ออกไปเต็มหนองเลยอ่ะว่าแต่น้ามีไปดึงไหนมันแผ่ลงไปมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างนั้นนะอันนี้ตัญหานีนเมื่อบุคคลไม่ละมันบุคคลไม่ภากเพียรไม่ยามละมันให้น้อยบาบางลงมันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายเหลือที่จะพรรณนา อาจจะมากกลัวเถาหญ้าพร่องนั้นไปซ้ํำมาเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเมื่อหากว่าบุคคลนั้นอินทร์บารมียังอ่อนโยไม่สามารถจะระตัณหาส่วนละเอียดได้อย่านี้ก็คอยพยายามละตัณหาส่วนหยาบอันมันพาให้ไปทําบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นให้มันระงับไปจากกิจใจให้ได้เช่นนี้แล้วก็นะับว่า อยู่ในเกณฑ์ดีนะอยู่ในเกณฑ์ดีล่ะเพราะผู้นั้นจะไม่ได้ไปตกนรกอบายภูมิในเมื่อละโลกนี้แล้วก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังที่ท้ายทำให้สิ น, สนที่ท่านผู้ให้สินจมแล้วแสดงอันนี้สงสิ น, นะนั่นแหละผู้มีสินย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีสินยอ่มนยอมสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ผู้มีศีลย่อมบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นู่นน่ะศี น, นี่ส่งบุคคลได้ถึงพระนิพพานนู่นนลยไม่ใช่ของตำตำนะศีนนะเนี่ยเป็นความจริงทีเดียวแหละเมื่อบุคคลมีศีนบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะอถึงแม้จะท่องเที่ยวไปเกิดตายไปในสงสารนี่เกิดไปชาติใดก็เกิดดีนี่เพราะไม่มีาบาปติดตามไปสนองให้เป็นทุกขก์เดือดร้อน ไปเกิดไปชาติใดอ น, นิสงสินก็ตกแต่งความสุขให้ตามกําลังของศินนั่นเองอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าคําว่าตกแต่งความสุขให้นะมันก็หมายความว่าตกแต่งให้สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่นั่นเองง่ายง่ายๆวันเถอะจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ด้วยปจัจจัยสีไม่ลําบากแกเ้เกียร์อย่างนี้อ น, นิสงสิ น, น่ะ แล้ววันนี้เมื่อบุคคลไม่มีบาปติดตัวแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศลไปมันก็มากขึ้นมากขึ้นที่ป่านี้บุญกุศลก็มากขึ้นโดยลําดับไปอมเมื่อบุคคลละบาปอากุศลได้ในชาติหนึ่งหนึ่งแล้วสมติว่าในชาติปัจจุบันอย่างนี้นะแล้วเจริญภาวนาเห็นโทษของบาปกรรมนั่นจริงจังเลย ไม่สร้างเหตุแทงบาปขึ้นคือความโลภโกรธหลงอะไรอย่างนี้ไม่สร้างขึ้นในใจต่อไปนะ่ะอา้าวชาติสอไปมันก็มันก็ไม่มีสิ่งจะมาบันดาลให้ทำชั่วแล้ววันนี้อ่มันก็เว้นจากกรรมชั่วอั น, นันได้อย่างนี้นะใจมันก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ส่งให้มีความสุขความเจริญด้วยสติด้วยปัญญา ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับบัดนี้เมื่อบุญกุศลมันเต็มบริบูรณ์แล้วก็บรรลุถึงขึง้นพระนิพพานหมดทุกข์หมดยากในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้